วันนี้พวกเราจะมาศึกษาการพัฒนาแบบยั่งยืนการพัฒนานี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือพัฒนาแบบยั่งยืนและพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนนี้เป็นการพัฒนาที่พวกเรา กำลังพัฒนากันอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนนี้พวกเรายังไม่ได้พัฒนากันเพราะเรายังไม่รู้จักวิธีหรือยังไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนเรายังหลงอยู่กับการพัฒนาแบบชั่วคราวกัน การพัฒนาแบบชั่วคราวคืออะไรก็คือการพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายทางร่างกายที่เป็นความเจริญที่เป็นความเจริญชั่วคราวเพราะจะมีการเสื่อมและดับไปในที่สุดโดย ต่อให้เราพัฒนาราบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามต่อไปมันก็จะต้องมีการเสื่อมมและมีการหมดสิ้นไปเช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราที่พวกเราพยายามพัฒนากันอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อให้มีความสุขกันอยู่เรื่อยๆ แต่มันก็จะต้องมีวันเสื่อมคือมีวันแก่มีวันเจ็บและมีวันตายไปความสุขที่ได้จากการพัฒนาแบบนี้ก็จะสูญ์สลายไปและจะได้ความทุกข์กลับมาแทนที่เสมอและหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว พเรากลับมาเกิดกันใหม่เราก็กลับมาพัฒนากันแบบเดิมเองพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้ขึ้นไปแล้วก็ต้องมาสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปสูญเสียร่างกายไปเพราะการพัฒนาแบบนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนา แบบ ย, ยั่งยืนแบบถาวรนั่นเองส่วนการพัฒนาแบบถาวรนี้เป็นการพัฒนาที่ผู้ที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึงได้และนานๆจะมีผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงค้นพบการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนนี้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ การพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนนี้พวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีพัฒนากันพวกเราก็ยังจะต้องพัฒนาแบบชั่วขาวกันไปอยู่เรื่อยๆพัฒนาได้มามากน้อยเพียงไรในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปหมดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาพัฒนากันใหม่วนเวียนกันไปอย่างนี้มาอย่าง โชคโชนมาอย่างนับไม่ถ้วนและก็จะพัฒนากันอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบนี้มาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนแบบที่พระพุทธเจ้าได้ท่งคนได้ท่งพัฒนาและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังการพัฒนา แบบย่งยืนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับการพัฒนาแบบย่งยืนกันและจะได้รักษาสิ่งที่เราได้พัฒนากันนีไม่ให้มีวันศูนย์ไม่มีใหไ้ไม่ให้มีวันสิ้นการพัฒนาแบบย่งยืนนี้เราเรียกว่าจิตตภาวนา จตตะพัฒนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจนี้แหละเป็นการพัฒนาอย่างยืนอย่างยั่งยืนเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรไม่เหมือนกับร่างกายไม่เหมือนกับราบยศรเสริญไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายที่ไม่ถาวรที่เป็นของชั่วกราว ที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาแต่การเจริญของจิตใจนี้ไม่มีวันเสื่อมเมื่อได้พัฒนาแล้วก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดการพัฒนาทางจิตใจเราเรียกว่าจิตตะภาวนาที่พวกเรามาบาเพ็ญกันอยู่ใน ขณะนี้เรากำลังมาบาเพ็ญส ม, มถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากันจิตตาภาวนาการพัฒนาจิตใจนี้แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าส ม, มถภาวนาการพัฒนาความสงบให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะความสงบของใจนี้นาความสุขอย่างยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจนั่นเอง แล้วหลังจากที่ได้พัฒนาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็พัฒนาอีกขั้นหนึ่งคือพัฒนาด้วยวิปัสสนาภาวนาคือวิธีที่จะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้อยู่อย่างถาวอต่อไป ถ้าเราไม่ขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาภาวนาสามารถผลที่เราได้รับจากส ม, มถะภาวนานี้ก็จะยังเสื่อมได้อยู่ยังหมดได้อยู่เพราะมีเหตุหรือมีสิ่งที่จะมาทําลายความสุขความสงบที่เราได้จากการเจริญส ม, มถะภาวนาคือพอเวลาเราออกจากสมาธิมา ใจเวลาที่เราอยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบใจเราก็มีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมามาสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆใจก็เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากความอยากนี้ก็จะทำให้ความสงบนั้นหายไปทำให้ความสุขนั้นหายไปแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ แต่ถ้าเรามีการเจริญมีการใช้วิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที <keyboard inflammation> <Cool> ่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราออกจากความสงบออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เราออกจากสมาธิมานี้ความสงบที่เราได้จากสมาธิ ก็จะคงอยู่ต่อไปแล้วก็จะพัฒความสิ่งที่เราพัฒนาคือความสุขความเจริญของจิตใจก็จะคงสภาพอยู่ต่อไปและจะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นที่ไม่มีวันไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปขั้นที่ พัฒนาที่สมบูรณ์เต็มร้อยการพัฒนาทางด้านจิตใจนี้มีการพัฒนาแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันเรียกว่าขั้นพระอริยบุคคลสี่สระดับคือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาขามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์นี่คือ ขั้นของความเจริญของจิตใจที่เราจะพัฒนาจากขั้นของปุ้ตุชนที่พวกเรากําลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้ขั้นของผุ้ตุชนนี้เป็นขั้นของการเจริญการพัฒนาแบบชั่วคราวปุ้ตุชนนี้สามารถพัฒนาจิตใจให้ขึ้นไปถึงระดับพรหมโลกได้แต่แล้วก็จะต้อง ศูนย์ไปเพราะจะต้องเสื่อมลงมาจากชั้นพรมโลกก็จะลงมาสู่ชั้นเทวโลกจากชั้นเทวโลกก็จะกลับมาสู่ชั้นมนุษย์และพอกลับมาสู่ชั้นมนุษย์ก็ต้องกลับมาพัฒนากันใหม่กับพัฒนาราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบ้างหรือพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ชั้นเทวโลก และชั้นพร ม, มโลกตามลำดับต่อไปแต่ก็จะได้ไปถึงเพียงขั้นนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสบพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะไม่ได้รู้จักกับการพัฒนาระดับวิปัสสนาภาวนานั่นเองการพัฒนาระดับสมถภาวนานี่มีมาตลอด มีมาอยู่กับโลกตลอดแต่การพัฒนาด้วยวิวปั ส, สนาภาวนานี้จะมีเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุเท่านั้น mm hmm. เพราะว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดที่ปุตุชนธรรมดา ที่ยังมีความมืดมดมืดบอดด้วยโมหะอาวิชชาจะไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากคนฉลาดที่ได้บาเพ็ญปัญญาบา ร, รมีมาอย่างแก่กล้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นการพัฒนาแบบถาวอนได้เราจึงต้องรองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่และพระ อ, องค์ ที่จะมาสอนพวกเราให้เราได้พัฒนาเข้าสู่ขั้นระดับที่ถาวนคือเข้าสู่ขั้นอริยะมรรคอริยะผลเข้าสู่ขั้นของโสดาปติมรรคโสดาปติผลสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลการพัฒนา สี่ระดับนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็พวกเราก็จะได้รับการถ่ายทอดจากพระทัยของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักการพัฒนาพระการพัฒนาอาริยขั้นขั้นของพระอริย์ด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรม ของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของจิตธรรนาคือการพัฒนาจิตใจจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังต้องยังไม่ได้รับการพัฒนามากนะส่วนใหญ่เราจะไปพัฒนาทางด้านของกิเลสตัณหากันมากกว่าเช่นเวลาที่เราไปพัฒนาด้านาะะรากยศสัตว์แสง ด้านสุด้านความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี่เรากำลังพัฒนากิเลสตัณหากันเรากำลังส่งเสริมกิเลสตัณหากันการส่งเสริมกิเลสตัณหาก็คือการ ส, ส่งเสริมเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจกันส่งเสริมเหตุที่จะทำให้พวกเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆ เหตุที่พวกเราทุกกันเหตุที่พวกเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆนี้ก็ไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนก็เกิดจากกิเลสตัณหานี่เองนี่คือการพัฒนาที่พวกเราพัฒนากันก็คือพัฒนาความทุกข์กันพัฒนาการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราพัฒนา ทางด้านลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายกันแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราได้เข้าวัดเข้าวากันเราก็จะได้พัฒนาทางจิตใจกันเริ่มต้นจากขั้นระดับที่ชั่วคราวไปก่อนคือขั้นระดับเทวโลกขั้นระดับพรหมโลกแล้วค่อยขยับขึ้นสู่ขั้นระดับ ที่ถาวรตามลำดับต่อไปคือขั้นอริยมรรคขั้นอริยผลการพัฒนาเบื้องต้นเวลาเราเข้าวัดเราก็จะทำบุญทาทานกันเราก็จะรักษาศีลห้ากันอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเทวโลกพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสู่ระดับของเทวโลกถ้าตอนที่เราตายไปจิตใจเราก็จะไปสู่เทวโลกทันที แล้วถ้าเราพัฒนาขึ้นสูงกันนั้นได้คือแทนที่จะรักษาศีลห้าเราก็รักษาศีลแปดกันแล้วเราก็มาบาเพ็ญสมถะภาวนากันเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการสวดมนต์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราสงบ และจะสงบได้อย่างเต็มที่เราก็ต้องนั่งสมาธิกันนะถ้านั่งสมาธิแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มร้อยก็จะได้พบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้เหมือนไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสุขเหมือนกับความสุขที่ได้จากการความสงบ นัตสันติพลังสุขแั็งไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วพอเราได้ความสงบนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะรักษาความสงบนี้ไว้ให้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างถาวรเราก็ต้องเข้าสู่การพัฒนาขั้นระดับวิปัสสนาภาวนา เวลาที่เราออกจากสมาธิออกจากความสงบถ้าเราอยากจะรักษาความสงบความสุขที่เราได้จากสมาธิเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเจริญปัญญาเอาความรู้เอาปัญญาของพระพุทธเจ้านี้มารักษาใจของพวกเราพระพุทธเจ้าส่งมอบปัญญาคือพระอริยสัจสี่ไตรลักษ นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่จะทำให้เราสามารถรักษาความสงบของใจของเรานี้ให้อยู่ต่อไปได้เช่นในอริยสัจสีท่านก็ทรงแสดงไว้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากตันหาความอยากเกิดจากกามาตันหาภา ว, วตันหาวิภาวตันหากามตันหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผัตภะ ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่วิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นความอยากไม่ได้นั่นไม่อยากอยากไม่ได้นี่พอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาความสงบที่ได้จากสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิก็จะหายไปทันทีถ้าต้องการให้ความสงบความสุขนั้นกลับคืนมา ก็ต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาทันทีและในอริยสัจสีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทรงแสดงวิธีที่จะดับตัณหาละตัณหาละกามตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาถ้ามันเกิดขึ้นมาท่านให้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคือมรคนี้เอง มรกนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะกําจัดตัณหาเวลาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเปรียบเที่ยวก็เหมือนกับน้ําดับเพลิงเครื่องน้ํายาดับเพลิงถ้าเรามีน้ํายาดับเพลิงอยู่ในบ้านเวลาเกิดไฟลุกขึ้นมาเราก็ใช้น้ํายาดับเพลิงนี้ฉีดไปที่ไฟพอฉีดไปแล้วไฟก็จะดับไปอย่างใดถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญา ที่เป็นองค์มครคนี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้วพอเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็เอาศีนสมาธิปัญญานี้มาดับความอยากได้ทันทีพอเราหยุดความอยากได้อความสงบที่ถูกความอยากนี้ทําลายไปก็จะกลับคืนมาต่ออจะสงบต่อจะมีความสุขต่อโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้ แต่ในกรณีที่เรายังไม่ชํานาญทางด้านปัญญาถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วแล้วเกิดความอยากขึ้นมาและเราไม่สามารถที่จะทําลายมันได้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือสติที่เป็นเครื่องมือให้เราทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราก็ใช้อันนั้นต์ทศ ไปก่อนก็ได้เช่นเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากเกิดความกังวลกาวายเกิดความหงุดหงิดนำคาญใจเราก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเหมือนกับตอนที่เราจะเข้าสมาธิก็คือการดึงใจให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ด้วยกําลังของสติคือคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธ เราก็ยังจะสามารถรักษาความสงบไว้ได้เพราะเราสามารถหยุดความอยากไว้ได้แต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวเพราะเราไม่ได้หยุดด้วยปัญญา ừ, การหยุดด้วยปัญญาก็คือต้องเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของตัณหาความอยากว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่าง เป็นตัวที่จะนำเราไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเราต้องเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นของชั่วคราว mm hmm. เช่นความอยากในลาบยศสรรเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลพระนี้จะนำไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเวลาที่ ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไป yeah. Yeah. ถ้าเราพัฒนาราบยศสารเสริญสุขนี่เท่ากับเราพัฒนาชั่วคราวพัฒนากิเลสตัณหาที่จะเป็นเหตุที่ทําให้เราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เ, <Yeah. S 1> เกิดมากลับมาทุกข์อยู่กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆและทุกข์กับความอยากอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่เกิดความอยากนี้ใจเราจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจเราจะหิวโหวยขึ้นมาทันทีงดหยิดนําคางใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้ศึกษาวิปัสสนาภาวนาศึกษาวิธีที่จะใช้ปัญญามากําจัดอปัญหาความอยากต่างๆ พอเราใช้เป็นแล้วเราก็จะสามารถระงับตันหาความอยากได้ทันทีเช่นเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นาไปสู่ความสุขในบั้นปลายใ น, ในเบื้องต้นมันจะนำไปสู่ความสุขก่อนแต่พอความสุขที่ได้มานั้นมันเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เช่นเวลาที่เราอยากได้ทรัพย ได้ลาบเวลาเราได้ลาบมาเราก็ดี อ, อกดีใจกันมีความสุขกันแต่พอเราใช้เงินทองที่เราหามาได้หมดไปแล้วทีนี้ความสุขนั้นก็จะหมดไปแล้วความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะเราจะไม่มีเงินทองใช้สอยอีกต่อไปเราก็ต้องทุกข์กับการไปหาเงินทองกันใหม่แล้วพอเราได้มาเราก็สุขกับมันไปสุขกับมันด้วยจากการที่เราได้มา สุขจากการที่ได้ใช้มันพอได้มาได้ใช้มันไปเดี๋ยวมันก็หมดอีกเพราะมันหมดอีกก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่านี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะไปสร้างความสุขกันวิธีที่จะสร้างความสุขก็คือต้องไม่ไปอยากไปหาลายยศสันนสุขสันะเสริญสุขกันให้เราอยู่เฉยๆกันให้เราหยุดความอยากกัน ถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ใจเราก็จะกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสุขที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญแล้วก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราสามารถกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราไปใจของเราก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากต่างๆไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจถ้าได้ไปขั้นถึงพัฒนาถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าได้ถึงขั้นของพาาระอรหันต์ได้ขั้นพระนิพพานได้ขั้นที่ถาวรเต็มร้อยถ้าได้ได้ขั้นที่หนึ่งก็จะได้เพียงหนึ่งในสี่ถ้าได้ขั้นที่สองก็จะได้สองในสี่ ขั้นที่สามก็จะได้สามในสี่พอขั้นที่สี่ก็จะได้เต็มร้อยคือได้พัฒนาอย่างเต็มร้อยได้ความสุขอย่างเต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องทําการพัฒนาอีกต่อไปการพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนนี้มีวันสิ้นสุดดองงานทางด้านจิตใจนี้มีวันจบแต่งานทางด้านลาบยศสรรเสริญทางด้านความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ ไม่มีวันจบต่อให้พัฒนาไปมากน้อยเพียงไรได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องคอยรักษาสิ่งที่พัฒนาให้อยู่ต่อไปต่อให้รักษาดีขนาดไหนมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีเพราะสังขารร่างกายของเรานี้ที่เป็นผู้ครอบครอง ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะต้องเสื่อมจะต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ได้นี่คือเรื่องของการพัฒนาแบบชั่วคราวจะนําไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายแต่ความการพัฒนาทางจิตใจนี้จะนําไปสู่ความสุขในบ้านปลาย ความสุขที่ถาวรความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปแต่ในเบื้องต้นการพัฒนาอย่า ง, ย, างยั่งยืนนี้ก็จะมีความทุกข์ยากมีอุปสรรคต่างๆเพราะว่ามันจะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่จะคอยมาขัดขวางการพัฒนาทางจิตใจนั่นเอง กิลมักจะคอยดึงใจของพวกเราให้ไปพัฒนาแบบชั่วคราวกันมักจะคอยดึงให้พวกเราไปหาลาบยศสรเสริญในหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันพอเราจะดึงมาทางพัฒนาแบบ ย, ยั่งยืนในต้องใช้กำลังอย่างมากยังรู้สึกยากลาบากทุกครั้งที่เราจะมาพัฒนาทางจิตใจกันแต่ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าท่านก็ทำได้แล้วท่านก็เอามาบอกพวกเราว่าพวกเราก็ทำได้เหมือนกันแต่พวกเราต้องมีความพยายามพวกเราต้องมีความอดทนต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วเราก็จะสามารถดิงใจของเราให้มาพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรได้ถ้าเราไม่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่มีความเพียรพยายาม ไม่มีความอดทนเราก็จะไม่สามารถที่จะดึงใจของพวกเรามาพัฒนาทางแบบยั่งยืนได้เราก็จะถูกกำลังของกิเลสตันหาดึงเราให้ไปพัฒนาแบบชั่วคราวกันให้ไปมีความสุขกันแบบชั่วคราวกันแล้วก็ต้องมาทุกข์ในบ้านปลายเวลาที่ต้องสูญเสียความสุข จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลสนจากตาหูจมูกมิ้งกายไปนี่คือเรื่องของการพัฒนาสองรูปแบบที่มีอยู่ในโลกนี้ที่พวกเราจะต้องศึกษาแล้วดูดูดูผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาสองรูปแบบนี้ว่าการพัฒนาในรูปแบบไหนจะดีกว่ากัน ถ้าเราพัฒนาแบบพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ผลแบบพระพุทธเจ้ากันถ้าเราพัฒนาแบบราบยศสรรเสริญสุขเราก็จะได้แบบที่พวกเรากําลังได้กันอยู่ขณะนี้ก็คือได้สุขแล้วก็ได้ทุกตามมาเวลาที่เราเวลาที่สิ่งที่เราพัฒนาคือราบยศสรรเสริญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เสร์มไป ความทุกข์ก็จะตามมาหรือเวลาที่ร่างกายของเราเสื่อมไปเวลาที่ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายความทุกข์ก็จะตามมาก็มีทางเลือกอยู่สองทางเมื่อก่อนนี้เราจะไม่รู้จักทางเลือกทางที่สองคือทางพัฒนาแบบยั่งยืนถ้าเราถ้าไม่มีพระพุทธาศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นสารนณะเป็นที่พึ่งของโลก ของพวกเราเราก็จะรู้จากการพัฒน า, าเพียงทางเดียวคือการพัฒนาแบบเชื่อข่าวชาตินี้เราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราได้รู้จักกับการพัฒนาอีกแบบหนึ่งคือแบบยั่งยืนแบบถามร่อยแบบที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันเรา ถ้าเรา พ, พัฒนาตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราพัฒนากันเราก็จะได้รับการพัฒนาแบบยั่งยืนเราจะได้มรรคผลนิพพานกันมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ขั้นต้นเราบำเพ็ญจิตถภาวนาสมถภาวนาผลที่ได้รับก็คือความสงบที่เป็นความสงบขั้นต่างๆที่เรียกว่าฌานขั้นต่างๆรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ผลที่ได้จากการได้รูปฌานสีอรูปฌานสี่ก็คือเราก็จะได้สวรรค์ชั้นพุทมโลกเป็นรางวัลในเบื้องต้นแล้วเราก็พัฒนาต่อ จากสวรรค์ชั้นพรมโลกนี้ไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าก็คือด้วยการเจริญวิปัสสนาด้วยการเจริญไตรลักษณ์ด้วยการเจริญอริยสัจสีที่จะเป็นเครื่องมือที่จะส่งใจให้ขึ้นสู่ระดับอริยามรรคอริยผลกันไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะ พัฒนาใจให้เข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลได้นอกจากวิปัสสนาภาวนาก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นนั่นเองก็คือทรงตัดสั้พระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาคำว่านิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็คือสิ่งต่างๆที่ใจของพวกเราไปหลงคิดว่า เป็นสุขกันนั่นเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนคิดว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้ากับทรงเห็นตรงกันข้ามกับพวกเราเห็นกันท่านทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรากําลังแสวงหากันอยู่นี้เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอณิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการดับไปอนาตตาแปลว่าไม่อยู่ในความครอบครองของเราไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถห้ามสิ่งที่ไม่ถาวรนี้ให้อยู่อย่างถาวรได้เราไม่สามารถ ควบคุมสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้และท่านจึงเรียกว่าอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะต้องมีการเจริญ ม, มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วถ้าเรามีความอยากที่จะไปควบคุมมันอยากจะให้มันจีรังถาวร อยากจะให้มันอยู่ภายใต้คําสั่งของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเรา น, นี่ที่มาของคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังกับอนัตตานี้อยู่ในสิ่งที่เรากําลังอยากได้กันคือลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ส่วนทุกขังนี้มันอยู่ในใจของเรามันเกิดในใจของเราเกิดจากความอยากที่เราอยากจะไปให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั่นเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเราได้ความรู้ของพระพุทธเจ้า everyday. ที่ทรงค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราถ้าเราหยุดความอยากไปให้มันเที่ยง หยุดความอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราก็จะไม่ทุกข์ทันทีความทุกข์ก็จะหายไปทันทีเช่นเวลาที่เราทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายเพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่เราอยากให้มันไม่เจ็บเราอยากให้มันไม่ตายนั่นเองแต่พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป อยากยังไงมันก็จะไม่มีวันหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นี้ความทุกข์จะหายไปทันทีผู้ใดที่สามารถเห็นความจริง น, นี้ได้ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เอง และการที่จะทำให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหายไปก็คือการเห็นความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรามันเป็นอนิจจังมันเป็น อ, อนัตตาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็ไม่ฝืนความจริงยอมรับความจริง ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอเรายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ทันทีเพราะเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองนี่ก็คือการเห็นธรรมขั้นแรกที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันทรงเห็นว่าร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เราไม่สามารถทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ความอยากที่ให้ความอยากของเราที่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละที่ทำให้เราทุกข์กันทรมาร์กกันพอเราเห็นว่าเรากาลังสร้างความทุกข์ด้วยความอยากของเราเองกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็เพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองหยุดอย่างไรก็ ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายนั่นเองเพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้แล้วทุกก็จะหายไปทันทีเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหยุดไปทันทีนี่ก็ก็จะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นโสดาบันถ้าได้ระดับขั้นโสดาบันนี้แล้วก็จะไม่เสื่อมลงไปสู่ขั้นปุถุชน โสดาบันนี้ยังมีงานที่จะต้องทำอีกสามขั้นคือขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์หลังจากได้โสดาบันแล้วขั้นต่อไปก็ต้องขึ้นสู่ขั้นสกิดาคามีการจะขึ้นสู่ขั้นสกิดาคามีได้ก็ต้องกำจัดก า, ม า, กามารมณ์กามราคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดํำคาญใจเวลาที่เกิดกามารมณ์ขึ้นมานั่นเองการารมณ์ก็เกิดจากความหลง ที่ไปเห็นร่างกายที่ไม่สวยงามนี่ว่าสวยงามนั่นเองดังนั้นก็ต้องเอาความจริงของร่างกายนี้มายืนยันว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามจะทํำยังไงก็ต้องไปดูส่วนที่มันไม่สวยงามดูตอนที่มันไม่สวยงามร่างกายมันไม่สวยงามตอนไหนก็ตอนที่มันตายเนี่ยเวลามันตายนี่มันน่าดูไหยเวลามันเป็นซากศพนี่มันน่าดูหรือเปล่า ถ้าเราเห็นร่างกายนี้เป็นสร้างศพตลอดเวลาเราก็จะไม่อยากได้ร่างกายมาเป็นสมบัติของเรามาเป็นคู่ของของเรามีใครอยากจะได้ศพมาเป็นคู่คลองบ้างแต่ความหลงมันปิดตาให้เรามองไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสร้างศพยังเห็นว่าเป็นนางฟ้าเทวดายังเป็นนายแบบนางแบบเป็นดารงดารากันอยู่ก็ได้หลงไหลข้างใคร แต่สำหรับคนที่มีปัญญาคนที่สามารถเห็นร่างกายแต่ละร่างนี้เป็นซากศพ ท, ทั้งที่ยังไม่ตายเป็นซากศพที่ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยการพิจารณาว่าถ้าเกิดร่างกายนี้มันหยุดหายใจขึ้นมาเรายังอยากจะเก็บร่างกายของคนนี้ไว้อยู่กับเราหรือเปล่ายังจะให้เขานอนกับเราหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เรานอนกับเขาวันนี้เขาหมดลมหายใจแล้ว เกินนี้เรายังจะนอนกับเขาเอีกหรือเปล่าพิจารณาดูหรือถ้าจะให้เห็นชัดๆก็ไปดูศพกันไปนั่งเพ่งดูศพกันดูคนตายโดยเฉพาะศพที่มันตายหลายวันศพขึ้นอื่นีหรือศพที่เน่าอย่างนี้มันจะได้ปร่งได้มันจะได้เห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันมันก็เป็นแค่ซากศพนี้ร่างกายของเราทุกร่างกายนี้กาลังรอ ไปเป็นซากศพกันไม่ได้เป็นอะไรอนาคตของร่างกายนี้มันจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นซากศพศพก็มีทุกอายุศพหนึ่งหนึ่งเดือนก็มีศพหนึ่งปีก็มีศพ ส, สิบปีก็มีคนตายนี่มีทุกอายุ อายุหนึ่งเดือนอายุหนึ่งปีอายุสิบปีอายุห้าสิบปีอายุแปดสิบปีมันก็เป็นศพเหมือนกันตายพอตายแล้วมันก็เป็นศพพอไม่หายใจมันก็กลายเป็นศพตามจริงมันก็ขึ้นอยู่ที่ตรงหายใจหรือไม่หายใจนี่เองตอนนี้หายใจกันอยู่เราก็เลยยังไม่เรียกว่าศพพอไม่หายใจปุ๊บนี่เขาเรียกว่าศพ ท, ทันทีต้องถูกกาจัด ท, ทันทีไม่ ต้องแยกออกไปอยู่ที่สาราวัดทันทีให้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มงคลอยู่แล้วมันทำให้เกิดความหวาดกลัวกันขึ้นมาแต่ทาไมเวลามีลมหายใจกลับไม่หวาดกลัวกันกลับไปเห็นว่ามันเป็นมงคลกันแย่งกันฆ่ากันตายบางทีฆ่ากันก็ฆ่ากันเพื่อร่างกายซากศพที่ยังหายใจได้อยู่นี่เองเพราะ โมหะไว้อวิชชาคือความมืดบอดของใจที่มองไม่เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นซากศพไปเห็นว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นนายแบบเป็นนางแบบเป็นดาราภาพยนตร์มันก็เลยทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องไปเอาคนที่เราอยากจะได้มาอยู่ด้วย เพื่อที่จะได้ดับการอารมณ์นี้แต่มันก็ชั่วคราวเดี๋ยวเกิดเวลาเขาไม่อยู่เวลาเขาจากเราไปการอารมณ์มันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เกิดความเหงาความว่าเหวขึ้นมาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องพบกับความหงุดหงิดตำคาญใจจากการที่เราเกิดมีการอารมณ์เกิดจากการที่เราอยู่คนเดียว เราก็ต้องกําจัดการอารมนี้ด้วยการเจริญ ส, สุภาษิตพิจารณาสร้างศพอยู่เรื่อยๆมองร่างกายว่าเป็นสร้างศพอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเขาหรือของเรานี้มันเป็นสร้างศพดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังหายใจได้เท่านั้นเองมันเลยยังไม่พองมันยังไม่เปื่อยยังไม่เน่าเท่านั้นเองแต่พอมันหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วมันก็จะเริ่มพองเริ่มขึ้นอื่น มันจะเริ่มเปื่อยมันเริ่มเน่าทันทีคือการพิจารณาเพื่อก้าวขึ้นสู่อริยมรรคอริยผลขั้นที่สองและขั้นที่สมต้องก้าวขึ้นด้วยการเจรณาสุภาถ้าสามารถกำจัดหรือทำให้การมาราคานี้เบาบางลงไปเช่นจากร้อยเปอร์เซ็ให้เหลือประมาณห้าสิบนี้ท่านก็เรียกว่าได้บรรลุขั้นที่สอง คือท่านส ก, กิดาคามีแล้วถ้าจเจริญต่อไปคือสามารถกำจัดกามอารมณ์ได้ตลอดเวลาไม่ให้มีกามอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยทุกครั้งที่เกิดกามอารมณ์ก็ใช้อสุภานี่เข้ามากำจัดอสุภานี่ก็เป็นเหมือนอน้ํายาดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่จะดับเพลิงอีกชนิดหนึ่งก็ก็คือเพลิงของกามกามราคะนี้ ถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงไว้อยู่ใกล้มือพอเกิดไฟลุกปับ๊บเราก็หยิบมาดับได้ทันทีถ้าเรามีอสุภะอยู่ในใจเราเห็นร่างกายของเราของคนอื่นว่าเป็นสราส้างศพตลอดเวลาเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะสามารถดับมันได้ทันทีทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ใช้อสุภะนี้ดับไปหยุดมันเลื่อยไปเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไป พราะมันโผล่ขึ้นมามันก็ถูกทําลายทุกครั้งไปด้วยอสุภะที่เราจเจริญกันนี่คืองานของพระโสดาบันหลังจากที่ได้โสดาบันแล้วขั้นที่สองขั้นที่สามก็ต้องจเจริญอสุภะเท่านั้นถึงจะทําให้ได้ก้าวขึ้นสูงขั้นที่สองและขั้นที่สามตามลําดับไป พอได้ขั้นที่สามแล้วก็หมดปัญหากับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเรื่องของกามมราคะใจจะไม่มีความผูกพันกับร่างกายของตนเองเรื่องกับร่างกายของผู้อื่นอีกต่อไปถ้าเกิดตายไปยังไม่บรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สี่ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป เพราะไม่มีความต้องการที่จะมีร่างกายไม่มีความต้องการที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการอตอบสนองความอยากทางการอารมณ์นั่นเองเพราะความอยากทางการารมณ์นั้นได้ถูกทำลายไปหมดทิ้นแล้วและก็ยังมีเหลือความอยากทางธรรมมารมณ์คือความอยากกับธรรมารมณ์ที่ยังมีอยู่ภายในใจเช่น ความสงบของระดับรูปฌปานความสงบของระดับอรูปฌปานเป็นต้นลนะความมานะความถือตัวก็ยังมีอยู่ภายในใจที่ยังทำให้ใจนี้ไม่สุขไม่สมบูรณ์ยังมีเวลาลำคาญใจได้อยู่เวลาที่ควา ม, วามสงบเสื่อมไปหรือเวลาที่มีการถือนื้อถือตัวขึ้นมาก็จะทำให้เกิด ความมุ่ดกิตเกิดความลำคาญใจขึ้นมาได้ก็จ้องต้องใช้ปัญญาก็คือใจรักเช่นเดียวพิจารณาให้เห็นว่าธรรมารมต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ที่ก็เป็นอนิจจงคือไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาต้องอย่าไปยึดอย่าไปติดเหมือนกับร่างกายอย่าไปยึดอย่าไปติดร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตาย ธรรมอารมณ์ต่างๆก็มีเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเกิดปล่อยมันดับไปตามเรื่องของมันถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ดับมันก็จะไม่ทุกข์นั่นพอหยุดความอยากกับธรรมอารมณ์ต่างๆได้ใจก็จะบริสุทธิ์เต็มร้อยเพราะความอยากต่างๆนี้ก็จะถูกทาลายไปหมด พอความอยากถูกทำลายไปหมดแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นพรมโลกก็ดีแล้อในภพของมนุษย์ในภพของเทพก็ดีไม่มีการไปเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้ไปเกิดคือตัณหาความอยากต่างๆนี้ไม่มีแล้ว และความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะไม่มีเช่นเดียวกันใจจึงเป็นบรมสุขคือเป็นความสุขตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดจะไม่มีความทุกข์เลยไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขเดียวเดียวแล้วเดียวความทุกข์ก็เข้ามา สุขกับเรื่องนั้นเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเข้ามาหรือเรื่องเรื่องของความสุขที่เราได้มามันหมดไปพอความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์มันก็เข้ามาทันทีทุกข์แล้วก็เกิดความทุกข์อยากจะให้มันสุขอีกมันก็ทุกข์อีกพอได้ทำตามความอยากมันก็สุขอีกสุขแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ร่างกายตายไปแล้วแต่ความอยากมันอยู่ในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาให้ใจไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ไปหานาบยศเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันใหม่อีกต่อไป mm. ก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่หันมาสนใจไม่ให้ไ ม, ไม่ไม่หันมาพัฒนาแบบยั่งยืนคือมาปฏิบัติกิตตะภาวนา การจะจะปฏิบัติจิตตะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลมีทานเป็นผู้ส่งขึ้นมานั่นเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนการขึ้นชั้นอาคารชั้นต่างๆต้องมีบันไดหรือมีลิฟต์ถึงจะสามารถขึ้นไปได้เราไม่มีปีกบินเราจึงต้องเดินขึ้นบันไดหรือจะ ต, ต้องขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์ที่จะส่งให้เราขึ้นไปสู่จิตตะภาวนาสู่การพัฒนาอย่างจลังถาวรก็คือการทาทาน และการรักษาศีลนี่การทําทางระดับต่างๆระดับร้อยละสิบไปถึงถึงเต็มร้อหรือแล้วก็การรักษาศีลก็จากระดับศีลหไปสู่ศีล8ศีล 10, สิศีลส2งร้อยยี่สบเจ็ดตามลำดับเราจึงต้องขึ้นบันไดทานกับศีลก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปสู่ชั้นของจิตตภาวนาพอเราถึงขั้นชั้นจิตตะภาวนาเราก็จะได้เจริญสมถภาวนาก่อน พอได้สมสถะภาวนาแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาอีกต่อหนึ่งพอถึงขั้นวิปัสสนาแล้วก็จะขึ้นสู่ ว, วิมุตติการหลุดพ้นตามลําดับต่อไปหลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไปขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามและขั้นที่สี่พอได้หลุดพ้นถึงขั้นที่สี่แล้วก็ถือว่าได้หลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แบบความทุกข์ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ พบชาติไม่มีหลงเหลืออยู่ต่อในใจต่อไปจะอยู่อย่างบรมมัสุขอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันตสาวกกันไปจนวันไม่มีวันตายเพราะจิตไม่มีวันตายก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อ ย, อยต่างกับจิตของพวกเราที่ไม่มีวันตายเหมือนกันแต่ยังสุขยังทุกข์แบบนี้ไปเรื่อ ย, อยสุขบ้างแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างส่วนใหญ่มันจะทุกข์มากกว่าสุข และเวลาทุกข์นี่มันทรมารามานมากความสุขที่ได้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นี่คือเรื่องของการพัฒนาสองรูปแบบพัฒนาทางจิตใจเรียกว่าพัฒนาแบบยั่งยืนและพัฒนาทางร่างกายทางราบยศสรรเสริญสุขท า, ทางกิเลสตัณหาอันนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวเป็นการพัฒนาความทุกข์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 อยาจะถามตอนไหนก็ได้แต่อย่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็แล้วกันเพราะหลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตหยุดตอบคำถามเพราะเหนื่อยถ้าอยากจะถามก็ถามกันตอนนี้ได้ถ้ายัางไม่มีใครถามก็จะให้พิธีกรนาเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณนันทนาแต่ละพระอาจารย์จะสอนนั่งสมาธิแบบต่างๆเช่นพุทโทยุคหน่อพ้องหน่อมาอารหังแต่ในพระไตรปิฎกจะกล่าวถึงอนาปนสติรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวรู้ตัวตลอดถ้าเราเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมถึงมีการสอนคำบริกรรมโยมรู้สึกสับสนในการปฏิบัติค่ะ พยมยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้เพราะการทําสมาธินี้พระพุทธเจา้าก็ทรงสอนไว้ถึงสี่สวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบการบริกรรมพุทโธนี้เรียกว่าการเจริญพุทธานุสติส่วนการดูลมหายใจเข้าออกนี้เรียกว่าอานาปนาสติดังั้นก็สามารถที่จะใช้วิธีต่างๆได้ผลก็เหมือนกัน ให้เปรียบเทียบว่ากรรมฐาน40และวิธีนั่งทำสมาธิ40วิธีนี้เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายอิ่มจะรับประทานกว๋วยเตี๋ยวก็อิ่มรับประทานข้าวต้มก็อิ่ม รับประทานพิซซ่าก็อิ่มเดี๋ยวอย่าบอกว่าเมนูสำหรับพรุ่งนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวฟังหนาะว่าหลวงพ่อสั่ง <c oughs> เดี๋ยวพรนี้เตรียมเมนูนะ <c oughs> สวยม <c oughs> ีผู้เปรียบเทียบไม่ฟังว่ามันเป็นเหมือนอาหารนี้จริตของคนก็เลือกกินอาหารที่ถูกจริตนะบางคนชอบข้ต้มก็กินข้าวต้มบางคนชอบก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยว อันนี้ก็เหมือนกันบางคนชอบอนาปณ ะ, ะสติก็ดูลมหายใจเข้าออกบางคนชอบพุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางคนชอบมรา น, านุสติก็ไปนั่งเพ่งดูศพกันอันนี้ก็เรียกมรา น, านุสติดูความตายกันแล้วแต่จลิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดูศพไม่ได้ดูแล้วจะเป็นลมก็ยังจิตใจยังไม่ กล้าพอไม่แก่กล้าพอไม่แข็งพอก็ต้องดูของอ่น อ, อนๆไปกันเช่นพุโทโธพุโทโธหรือดูลมนี่มันจะไม่ทำให้ถึงกับเป็นลมบางคนไปดูโศบแลองนี้เป็นลมก็ดูไม่ไดจจ้จิตยังไม่แข็งอันนี้ก็แล้วแต่จลิตของแต่ละคนท่านถึงต้องสแสดงวิธีทำใจให้สงบสี่สิบวิธีด้วยกันก็เท่านั้นเอง ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะไม่สงสัยเราเป็นเหมือนพวกตาบอดคำช้างเคยได้ยินไมอมศึกษาตัวช้างเพียงส่วนเดียวพวกที่ไปจับหางก็ว่าช้างมันเป็นเชือกเหมือนเชือกอไอ้พวกไปจับงวงก็ไม่ใช่มันเหมือนงูอไอ้พวกไปจับงามันก็ว่าไม่ใช่เหมือนหอกอ พวกไปจับท้องช้างก็ไม่ใช่เหมือนกำแพงฮะมันก็ถูกทั้งนั้นแหะแต่มันไม่ถูกหมดแล้วมันมานั่งเถียงกันปากเปียกปากฉีกเนี่ยเพราะความอวดฉลาดกันอวดรู้กันว่าอวดเก่งกันว่าฉันรู้แล้วแท้จริงเพิ่งอ่านไปได้อ่านพระไตรปิฎกได้เพียงบทเดียวแล้วก็มาบอกแล้วว่าทําไมไม่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนในบทนั้น<ม>ก็บท<ม>อื่นไม่อ่านนี่พระไตรปิฎกมีต้อง 84% ดหมพันพุทธรรมบทเนี่ เราไปอ่านบทเดียวแล้วก็จะไปสรุปว่าในพระไตรปิฎกสอนเพียงบทเดียวนี่เหรอใช่ไมอมนี่ก็พูดให้ฟังเท่านั้นเองหมดแล้วเหรอคำถามเดียวแล้ววันนี้คำถามจากทางยูทู e นะครับ แต่คุณโอนะครับปกติก็จะสวดมนต์ภาวนาและทำความรู้สึกตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเจ้าค่ะแต่อารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันไม่เหมือนกันทั้งทา ง, งที่ปฏิบัติตัวตามปกติเหมือนเหมือนกันทุกวันบางวันจิตใจก็แจ่มใสบางวันก็หดหู่เศร้าส้อยโดยไม่มีสาเหตุ ต้องแก้ไขได้อย่างไรเจ้าคะอ๋อสาเหตุมันมีเพียงแต่เราไม่รู้สาเหตุก็คือกิเลสของเราบางวันมันก็แรงบางวันมันก็เบาวันไหนมันเบาวันันั้นก็ไม่ค่อยวุ่นวายวันไหนมันแรงวันนั้นก็วุ่นวายหดหูก็มีวิธีแก้ง่ายที่สุดก็คือใช้พุทโธนี่แหละใช้สติเราสามารถใช้พิษพุทโธนี่หยุดกิเลสได้เพียงแต่ว่าพุทโธนี่หยุดไม่ได้อย่างถาวรไม่ได้กําจัดมันให้สิ้นซาก ไปเพียงแต่กมดมันเอาไว้หยุดมันไว้เวลารู้สึกขดหูใจไม่สบายใจแล้วก็ลองพุทธโธไปสิพุทธโทพุทธโพุทธโทไปเรื่อยๆเดี๋ยวความหดหูใจมันก็จะหายไปคำถามจะคุณภัยสอนนะครับเรื่องสัมมาอาชีพหากเราทำงานในบริษัทที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เราเป็นบาปไปด้วยหรือไม่คือสัมมา การประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เป็นสามาอาชีพนี้ยังไม่เป็นบาปเพียงแต่เม้นอาชีพที่ไม่ควรที่จะทำกันเท่านั้นเองเพราะจะส่งเสริมให้มีการทำบาปต่อไปเช่นเราจำหน่ายสุราแล้วคนซื้อสุราไปดื่มเดี๋ยวมึนเมาก็จะไปทำบาปข้ออื่นได้แต่ถ้าไม่มึนเมาก็จะมีสติสตางคอยยับยัง้งเวลาที่คิดจะไปทำบาปก็จะมีสติยับยั้งได้ แต่ถ้าดื่มสุราแล้วมันเมาแล้วมันไม่มีสติ ท, ที่จะยับยัง้งพอจะไปคิดทำอะไรไม่ดีก็จะทำทันทีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าส่งเสริมการทำบาปกันอาชีพต่างๆที่เราทำนี้มันส่งเสริมให้คนทำบาปได้หรือส่งเสริมให้เกิดการสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินได้ หอย่าไปธ ร, รมอาชีพเหล่านี้ถ้าทุกคนหยุดขายสุรานี่ปัญหาเรื่องสุรายาเมาก็จะหมดไปเรื่องเมาแล้วขับนี่ก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเรื่องที่สามีมาทุบตีภรรยาทุบตีลูกเต้านี่ก็จะไม่มีเวลาเมาแล้วมันห้ามใจไม่ได้ฉะนั้น ไม่ควรที่จะทําอาชีพเหล่านี้ถึงแม้ตัวเราเองจะไม่ได้ดื่มไม่ได้ทําอะไรเสียหายแต่เราส่งเสริมให้คนอื่นก็ได้ดื่มให้เขาได้ไปทําความเสียหายกต่อผู้อื่นและอาจจะกลับมาหาเราก็ได้เช่นเขาดื่มโซดาแล้วเมาเขาขับรถเราขับรถกลับบ้านสวนทางกับเขาเขาเมาเขาอะไรขับเข้ามาเลนเราชนเราตายก็ได้คําถามจ้าคุณสุพนัทนะครับติดสุขจากสมาธิ ทำอย่างไรดีครับจะออกอย่างไรก็ยังไม่รู้ว่าติดยังไงสมาธิมีหรื อ, อยังก็ยังไม่รู้ mm hmm. คือมันจะติดมันต้องมีสมาธิก่อนบางทียังไม่มีสมาธิก็ว่าไปติดสมาธิคือนั่งสมาธินี่เรียกว่าติดสมาธิไม่ใช่การนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาบางทีนั่งเป็นปียังไม่ได้ผลเลยยังไม่ได้สมาธิ แล้วก็จะบอกว่าติดสมาธิมันไม่ถูกนะมันต้องนั่งแล้วจนทั้งจิตสงบได้สมาธิเป็นฌานขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทําแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิถ้าหลังจากที่เราได้ฌานแล้วได้อัปปนาสมาธิแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาด้วยคราวหน้าที่เราจะปฏิบัติเราก็ ปฏิบัติวิปัสสนาสลับกันไปเจนออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญากันมาพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตากันพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าเราพิจารณาเรื่อยๆเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคน เราก็เอาความรู้นี้ไปแปะไว้ตามร่างกายของคนที่เรารู้จักเดี๋ยวมึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวคูต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายคอยคิดอย่างนี้เดียวเรื่อยๆแล้วเวลาเขาแก่เจ็บตายขึ้นมานี่เราจะไม่ตกใจเลยเราจะไม่เสียหลักเราจะรู้สึกเฉยๆว่าครูว่าแล้วมันต้องอย่างนี้เพราะว่าเราคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่เองมันจะทาให้เรามีปัญญามีความรู้ ที่จะมากบความหลงที่จะคอยหลอกเราให้คิดว่าร่างกายนี้มันไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมันจะแข็งแรงสมบูรณ์ไปตลอดเวลาพอมันเกิดอาการแก่เจ็บตายขึ้นมาก็ตกใจกันนี่คือวิธีที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่ได้สมาธินี่เราจะไม่มีกำลังที่จะดึงใจมาคิดทางทางปัญญาได้เพราะกิเลสมันมีกาลังมากกว่า กิเลสมันก็จะคิดให้ไปคิดทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะดึงให้เราไปคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเที่ยวกันไปทำอะไรกันไปหาราบยศสัรละเสริมสุขกันมันก็เลยจะไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายไหมก็จะลืมไปพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นก็ดีก็ตกใจ อันนี้เราถ้าเราได้สมาธิแล้วนั่นแหละถึงเวลาที่เราจะต้องออกทางปัญญาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่ออกทางปัญญาแล้วจะทิ้งสมาธิเพราะเราออกมาใช้ปัญญาพิจารณาได้สักระยะหนึ่งกำลังมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวแทนที่จะพิจารณาเป็นปัญญามันก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาได้พอมันฟุ้งซ่านก็เราก็ต้องหยุดมันด้วยสมาธิกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ นั้นเราต้องใช้สมาธิเป็นที่พั ก, กจิตตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปสู่พระ น, นิพพานเปรียบเทียบสมาธิว่าเป็นเหมือนสถานีบริการก็แล้วกันเวลาเรากลับรถทางไกลนี้เราต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ํามันเพื่อเติมน้ำเพื่อเติมอาหารให้คนขับเข้าห้องน้ําห้องท่าพักผ่อนแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อไปการเจริญปัญญานี้เป็นเหมือนกับการเดินทาง ไปสู่พระนิพพานแต่ก็ต้องจอดแวะเป็นระยะระยะเพื่อเติมน้ํามันเติมอะไรต่างๆให้แก่จิตใจที่เติมน้ํามันก็คือสมาธิพอเราพิจารณาแล้วจิตมันเริ่มฟุง้งเรือเริ่มไม่ได้เรื่องละเริ่มโลเลไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นอสุภะแล้วเริ่มไปเห็นสุภะขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นนิจจังสุ ข, ขงังเริ่มเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตอนนั้นก็ต้องหยุดละ แล้วก็เดินจิตกลับเข้ามาในสมาธิมาเติมกำลังต่อเติมน้ำมันมาหยุดกำลังของมากําจัดกำลังของกิเลสตัณหาแล้วพอจากสมาธิมาจิตก็จะมีกำลังที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะตามนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพาน คำถามต่อเนื่องเรื่องติดสมาธินะครับจากคุณณพลนะครับอาการติดสุขที่เกิดจากสมาธิใช้อาการที่มีความสุขที่ได้จากการทําสมาธิแล้วจิตมีความอยากได้แต่สุขและไม่อยากสัมผัสความทุกข์อาการแบบนี้เรียกว่าติดสมาธิหรือเปล่าครับไม่ติดหรอเนเป็นเรื่องธรรมดาคนเราได้ของดีกว่าจะไปติดของไม่ดีทําไมคุณเคยขับรถโกโลโกโเมีคน เปคุณคุณไปซื้อของถูกรางวนได้รถเบนซ์มาคุณยังจะเก็บรถโกโลโกโซไว้เหรอแล้วคุณขับรถเบนซ์หาคุณไปติดรถเบนซ์แล้นเหรอมันไม่ติดหรอกมันมีของดีกว่าก็ใช้ของที่ดีกว่าสิคนเราทุกคนต้องการความสุขกันทั้งนั้นไม่ใช่เลยพอได้ความสุขแล้วกลับไปกลับไปว่าตัวเองไปติดสุขเไม่อยากติดโุขก็อยากไปติดทุกติดทุกเหรออยากจะไปติดคุกเหรอเ้าออกเขาปล่อยให้ออกมาจากคุกแล้วยังอยากกลับอยากจะกลับเข้าไปในคุก อ, อีกเหรอ เพราะว่าหาว่าติดสุขอืการติดสุขมันไม่ให้เสียหายตรงไหนติดทุกข์น่ะมันเสียหายพวกเรามันชอบติดทุกข์กันเ่ชอบร้องโหมร้องไห้ชอบโวยวายกันชอบด่ากันว่ากันเนี่มันทุกข์ทั้งนั้นนะ่ะมันเป็นกิริยาที่ออกจากจิตใจที่มีความทุกข์กันจิตใจที่เขามีความสุขเขายิ้มในใจเขานั่งยิ้มอมยิ้มของเขาไปเขาเหมืนต้องไปเดือดร้อนไปด่าใครไปว่าใครใช่ไมืม ติดสุขดีไ ม, ไม่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันไม่เหมือนยาเสพติดหรอกติดสุขเนี่ยมันดีเพียงแต่ว่าถ้ามันยังไปไม่ถึงนิพพานมันก็เหมือนติดปัม๊มสถานีปั๊มเนี่ยจอดที่ปัม๊มแล้วก็ไม่ยอมขับรถต่อไปเท่านั้นเองที่เรียกว่าติดมันเสียตรงนี้เสียตรงที่ว่าพอจอดเติมน้ำมันมแล้วแทนที่จะขับรถต่อขานอนที่ปั๊มเลยไม่ยอมไปเหมือนกัไปไม่ถึงบ้านสักที พอเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็ต้องออกจากปั๊มขับรถต่อไป <Yeah. S 1> อย่าขี้เกียจอย่างเนี้ถึงว่ามันไม่ดีตรงนี้แต่มันไม่เสียหายตรงไหนติดสุขติดสมาธิมันดีจะตายไปน <Yeah. S 1> ั้นอย่าไปคิดว่าสมาธินี้เป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่ใช่เพียง <Yeah. S 1> แต่ว่ามันถ้าเราต้องการจะเดินทางไปถึงบ้านของเราเราก็ต้องอย่าไปติดสถานีบริการ <Yeah. S 1> เติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถต่อไป แต่ก็ไม่ทิ้งสถานีบริการถ้าเกน้ำมันมั น, มนใกล้จะหมดก็ต้องแวะจอดเติมน้ำมันต่อไปจนกว่าจะถึงบ้านคำถามจะคุณสัญญานะครับการมีสติอยู่ในปัจจุบันเสมอๆจะเกิดความว่างจากการนึกคิดทั้งมวลจากนั้นใช้ความคิดของกายสังขารพิจารณากฎของไตรลักษณ์บ่อยๆ ของร่างกายและสิ่งรอบๆตัวจะมีความรู้สึกภายในเกิดขึ้นมาว่าสงบและเห็นผู้คนรอบข้างวุ่นวายเพราะไม่หยุดการคิดปรุงแต่งอันนี้รู้สึกได้จากความรู้สึกภายในลึกๆนะครับพระอาจารย์คิดว่าถูกวิธีหรือเปล่าครับก็ถูกในระดับหนึ่ง ถ้าจิตเราว่างจิตเราไม่วุ่นวายเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างจิตของผู้ที่ไม่ว่างไม่จิตไม่ว่างเขาก็จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปคือต้องไปถึงขั้นที่เราไม่ต้องควบคุมใจเลยถ้ายังต้องควบคุมใจอยู่มันก็ยังไม่ถึงขั้นจุดหมายปลายทางคือขั้นสตินี้ยังต้องคอยคุมอยู่เรื่อยๆ แต่พอไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ต้องคุมพอปัญญาสอนใจให้ปล่อยมันปล่อยเลยแล้วมันไม่ยุ่งกับอะไรอีกต่อไปแต่ขั้นสตินี่เราต้องดึงมันไว้ไม่ให้มันไปดื้อไปยุ่งเพราะเราไม่มีกําลังดึงมาไว้เดี๋ยวมันก็ไปยุ่งต่อเหตนั้นเราต้องก้าวเข้าสู่ขั้นปัญญาต้องเห็นว่าการที่เราไปยุ่งกับเรื่องต่างๆนี้มันเป็นการเข้าหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปหามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา เราต้องอย่าไปหามันหยุดมันถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ไปวุ่นไปยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้สติบังคับมันดึงมันไว้ยันถ้ายังใช้อยู่ขั้นสติอยู่นี้ยังไม่พอถึงขั้นสติแล้วต้องใช้ขั้นปัญญาต่อไปต้องเห็นสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสัสสะแล้วเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้ พอไม่อยากได้แล้วจิตของเราก็จะไม่วุ่นจิตของเราก็จะสงบจะอิ่มจะพอตลอดเวลานี่คือขั้นที่เราต้องไปให้ได้ไปให้ถึงคําถามเจ้าคุณใช่ใช่ใช่นะครับรู้ว่ามีความอยากเจ้าค่ะอยากไปวัดอยากอยู่วัดเสียงั้นแล้วรู้สึกว่าโลกนี้มันสุกสุขดิบดิบสุขนิดนิดสักพักก็ทุก ลูกมองเห็นแบบนี้ตลอดเลยรู้สึกว่าอยู่ทางโลกนี้มันปลอมหมดเลยเจ้าคะ่ะแล้วหน้าที่ทางโลกก็เต็มไปหมดเลยก็ต้องทำลูกไม่ค่อยเข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงมองโลกแบบนี้คืองงตัวเองขอคำชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะว่าลูกต้องทำอย่างไรก็มองถูกแล้วมองว่าโ ล, โลกนี้มันวุ่นวายนอความสุขในโลกนี้มันเป็นความสุขปลอม ความอยากไปวัดนี่เป็นความอยากที่ดีก็ไปสิไปเลยไปบวชเลยทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งครอบครัวอะไรไปไปบวชชีบวชอะไรไปเลยเนี่ยขั้นต่อไปก็ต้องไปอย่างนั้นคำถามเจ้าคุณณพลนะครับเมื่อเวลานั่งสมาธิเหตุใดจึงมีท่าทางโดยการเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายด้วยครับแต่ทำไมองค์สมเด็จพุทธทธธาจารย์โต ผมมรลังสีกำมือเป็นกำปั้นบรรจบกันครับก็รูปปั้นเขาจะปั้นให้มันเป็นยังไงก็ได้ท่านจะกำกำปั้นตลอดเวลาที่ไหนท่านก็มีเวลานั่งขัดสมาธ์เอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ปั้นในท่านัน้นเท่า น, นั้นเองแล้วเขเห็นตัวจริงของท่านหรือเปล่าว่าท่านกำปั้นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอพอเห็นแค่รูปนั้นก็เลยคิดว่าท่านเป็นอย่างนั้นไปตลอดเหมือนเป็นคนนั่มาเพิกกรมาพาดอย่างนั้น ท่านก็ทําตามพระพุทธเจ้าถ้าทุกรูปที่มาบวชเนี่ยเขาจะรู้จักท่านั่งสมาธิกันหนา้าท่าขัดสมาดขวาทับซ้ายกันทั้งนั้นเน่ะเพียงแต่ว่าในเรียบบทต่างๆท่านก็อาจจะอย่างเนี่ยตอนเราตอนนี้เราก็ไม่นั่งขวาทับซ้ายอ่ะบางทีก็เอามือวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนี้แล้วเกิดเข้าปถ่ายรูปไปแล้วเขาก็ไปว่าเนี่ยทำไมท่านไม่นั่งขวาทับซ้าย <laughs> อย่าไปสนใจกับท่ามันมากเกินไปเลยยีเรยาบัตของคนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อมันความสบายของร่างกายถ้ามันอยู่ในท่าเดียวมันก็เดี๋ยวมันก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนท่าเนี่ยเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนจากขวามาทางซ้ายนั่งภาพเพียบขวาซ้ายเสร็จแล้วมันเมื่อยก็เปลี่ยนมาภ้าเพียบขวาเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปผ้าเพียบซ้ายมันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คำถามต่อเนื่องจากคุณไพสอนที่ทำงานบริษัทแอลกอฮอล์นะครับคือตัวเราไม่ได้เป็นผู้ขายแต่ทำงานฝ่ายบัญชีจะเข้าขายตามที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่หรือเปล่าครับก็อัปนายที่เราได้ผลประโยชน์จากอาชีพเหล่านี้เราก็ถือว่าเราก็ทำสัมมิชอาชีพเหมือนกัน ถึงแม้เราจะไม่ได้ขายเองแต่เราก็ได้รับประโยชน์เพราะเราสนับสนุนให้มีการขายเราทําบัญชีถ้าไม่มีบัญชีเดี๋ยวบริ ษ, ษ, ษัทมันก็ไม่รู้ว่ารํ้วาไรหรือขาดทุนเงินต้องจ่ายภาษีหรืไม่จ่ายภาษีมันเดี๋ยวก็อาจจะปิดไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานในบริ ษ, ษัทเดียวกันหน้าที่ต่างกันก็ยังถือว่าทํางานชนิดเดียวกันอยู่ค้าสุราเหมือนกันคําถามจากคุณพัชรานะครับ ถ้าเราขอให้ครูบาอาจารย์รักษาธาตุขันถือเป็นความอยากของเราไหมคะไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่อยากเราจะไปขอทำไมคำถามจากคุณผู้ทวนกระแสโลกนะครับเวลานั่งสมาธิและเอาจิตวางไว้ที่หน้าผากแล้วพอนั่งไปสักพักหน้าผากจะหนักมากเหมือนไฟดูดต้องทำอย่างไรเจ้าคะเอามือไว้หน้าผากเลอ แล้วนั่งสมาธิามือไว้หน้าผากใช่ไหมเมื่อกี้ก็ไม่ไม่ใช่ครับนั่งนั่งสมาธิเอาจิตไว้ที่หน้าผากแล้วเหมือนนักหนักที่หน้าผากอ๋อมันก็เป็นเรื่องของจิตกับหน้าผากเลบางทีเวลานั่งสมาธินี่กิเลสมันมักจะสร้างความรู้สึกอึดอัดต่างๆให้เกิดขึ้นบางทีก็แน่นหน้าอกบางทีก็แน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ แต่เวลานั่งดูหนังนี่มันไม่เจ็บเลยมไม่ปวดเลยเพราะว่ามันถ้ามันให้ทำในสิ่งที่กิเลส ช, ชอบมันจะไม่สร้างปัญหาขึ้นมาแต่พอให้ทำในสิ่งที่กิเลสไม่ชอบมันก็จะสร้างปัญหาต่างๆขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ก็เป็นปัญหาหลอกว่าไนมะ มันไม่เจ็บจริงหรอก ม, ม, ม, มันไม่แน่นจริง ม, มันแน่นที่ใจมากกว่าแต่ไม่รู้สึกอยู่ที่ตรงหน้าผากเะนั้นวิธีก็คือไม่ต้องไปสนใจเราถ้านั่งสมาธิเราก็พุโทโธไปเดิวลมหายใจไปถ้ายังรู้สึกว่ามันแน่นกับพุโทโธก็ลองใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งจนจิตเบาจิตสบายความแน่นต่างๆหายไปแล้วเราค่อยมาพุโทโธต่อก็ได้ คำถามจะคุณอุอินะครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อจะพิจารณาอย่างไรคะก่พิจารณาคนที่เราจะเชื่อว่าเป็นใครใครเป็นคนพูดเนี่ยคนที่พูดนี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อถ้าคนที่พูดว่าน่าเชื่อก็ ก, ก็ควรเชื่อไปก่อนแต่ก็ยังไม่ให้เชื่อร้อยเซให้เชื่อเพื่อที่เราจะต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีว่า จริงมั้ยหรือไม่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในการละมัสดุว่าไม่ให้เชื่อแบบร้อยเปซตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นใครหรือมีการเชื่อกันมาอย่างคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อเราก็เชื่อตามเขาอย่างนี้ยังไม่พอเพราะว่าอาจจะผิดได้ต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนี่เป็นไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าเช่นสมัยก่อนเขาบอกว่าโลกนี้แบนเนี่ยก็เชื่อกันไปหมด เชื่อโรคแบนแล้วก็มีคนที่มันไม่เชื่อขึ้นมามันก็ไปพิสูจน์ว่ามันไม่แบนมันกลมและในที่สุดมันก็กลายเป็นโรค ก, กลมขึ้นมาแทนที่แทนที่จะเป็นโรคแบนอันนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อคือการฟังนี่ท่านสอนบอกว่าฟังแบบฟังหูไว้หู เชื่อก็ไม่ให้เชื่อปฏิเสธก็ไม่ให้ปฏิเสธเมื่อเรายังไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเราไปปฏิเสธมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเกิดมันเป็นความจริงเราก็จะเสียประโยชน์ได้ถ้าเราไปเชื่อแล้วมันไม่เป็นความจริงเราก็จะถูกหลอกได้ดังั้นเราต้องฟังหูไว้หูหูจะว่าเชื่อก็ไม่เชิงจะว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่เพียงแต่ต้องเอาไปท ด, ทดสอบดูก่อนพิสูจน์ดูก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่ เช่นดื่มโซราแล้วเมาเนี่ยลองไปดื่มดูจะได้รู้ว่าดื่มแล้วเมาว่เปล่าเมาเป็นยังไงพอดื่มแล้วมันก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็จะได้ไม่แตะโซดาอีกต่อไปคาถามจากคุณสุพนัทนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความคิดความสงสัยทั้งในธรรมและปัญหาชีวิตต่างๆ ขุดขึ้นมาเรื่อยๆจะแก้ไขให้สงบอย่างไรครับก็เราต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดเรื่อยเปื่อยใช้พุทโธพุทโธไปในทุกกิริยาบทในทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายยกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทํางานเลือก <c oughs> คิดในเรื่องที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นถึงจะหยุดคิดถ้าไม่เช่นนั้นอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงปัญหาต่างๆคิดถึงความสงสัยเรื่องนั้นเรื่อง นี้ต่างๆมันไม่เกิดประโยชน์หยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิความคิดเหล่านี้มันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาคำถามทุกคนอุนะครับถ้ายังไม่บรรลุพระโสดาบันแล้วไปเกิดใหม่ถ้าไม่ได้พบครูบาอาจารย์ทำอย่างไรจะมีสัมมาทิฏฐิคะ อย่าไปกังวลเลยตอนะนี้มีครูบาอาจารย์แล้วรีบสร้างสัมาทิฏฐิซะตอนนี้ดีกว่าที่เกลียดตอบเรื่องของท่านู่นท่านี่แต่ของจริงมีกับไม่เอาอชอบไปคิดถึงไอ้ของที่ไม่ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้อตอนนี้มีสัมมาทิฐิมีครูบาอาจารย์แล้วรีบไปศึกษาซะรีบไปปฏิบัติซะพระพุทธเจ้ารับประกันแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้แล้วเอจาไปต้องไปรอพบหน้าชาติหน้าแล้วเอาเวลามาทําอะไรกันตอนนี้เอาเวลามา มาเที่ยวมากินกับกิเลสเท่านั้นเลยพอไปชาติหน้าก็รอพบต่อไปอีกแล้วพ่อถาม<พ> อ, อีกก็ชาต <พอ S 1> ิานหน้า <laughs> <laughs> คําคําถามจากคุณสุพนัทนะครับปัญญาจากความรู้สึกนึกคิดกับปัญญาจากความรู้ด้วยวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับคือปัญญาจากความรู้สึกนึกคิดนี้หยุดความอยากไม่ได้ดับความทุกข์ไม่ได้ แต่ความปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือใจที่สงบมีใจที่สงบแล้วก็มีปัญญาที่เกิดจากความนึกคิดมารวมกันมันก็จะหยุดความอยากได้ถ้าความนึกคิดนี้เป็นความความคิดที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องก็ดับไม่ได้ต้องเป็นความคิดที่ได้จากพระพุทธเจ้าได้จากการฟังธรรมแล้วเราก็ไปพิจารณาค่ายควรเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืม แล้วพอเราไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาเราเจอกิเลสเราก็สามารถเอาปัญญากับสมาธิที่เรามีนี้มาหยุดกิเลสได้ดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเรามีแต่ปัญญาเราจะไม่มีกำลังคำถามจาคุณเลิฟจามะนะครับ ปกตินั่งสมาธิสา5สิบถึงห้าสิบนาทีเช้าและเย็นแต่ก็ไม่ค่อยจะสงบเลยค่ะมันคอยแต่จะมีนูน่นนี้แบบเข้ามาตลอดแต่ก็มีสติรู้ว่าฟุ้งออกไปแล้วนะก็กลับมาพุโทโธพุโทโธแล้วถ้ามันปวดขึ้นมาก็นึกเสมอค่ะ ว่าเจ็บปวดแค่นี้ยังทนไม่ได้แล้วถ้าแก่ตัวมากไปกว่านี้แล้วมีโรคภัยที่ต้องเจ็บต้องปวดอย่างถึงที่สุดเราจะทนมันไหวเหรอก็จะพยายามนึกถึงภาพแฟนที่ปว่วยเป็นมะเร็งที่เสียไปแล้วเห็นเวลาที่เขาปวดน่าสงสารมากเลยค่ะถามว่า อย่างนี้มันจะฟุ้งไปอีกนานไหมคะก็ไม่กลับมาที่พุทโธไงชอบถูกหลอกให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าเวลานั่งสมาธินี่ไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นนอกจากพุทโธคำเดียวเท่านั้นแล้วอะไรจะมาชวนไปคิดอะไรก็กลับมาที่พุทโธพุทโธอย่างเดียวแต่มันจะไม่อยู่หรอกถ้าเราไม่ทำตลอดเวลานอกจากเวลาที่ไม่นั่งเนาะไม่ใช่ตัดทําตดเฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้น เราต้องพูดโทรตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นไปจนหลับเนี่ยนั่นแหละมันถึงจะมีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆเวลาที่นั่งสมาธิได้เราจะสงบได้คำถามจากคุณพกรกมนนะครับ เรื่องกรรมต่อบุพการีถ้าลูกพูดจาทำร้ายจิตใจแม่ด้วยไม่เจตนาเพียงเพราะต้องการอธิบายถึงสิ่งที่ลูกเห็นว่าแม่ทำไม่ถูกต้องในเรื่องของครอบครัวหรือสิ่งที่แม่คิดไม่ถูกต้องกับพ่อลูกให้ความคิดเห็นที่ไม่ถูกใจแม่แม่ก็ไม่พอใจแล้วต่อว่าลูกไม่เคารพลูกทำให้ลูก มันทำให้ลูกรู้สึกเสียใจและรู้สึกติดบาปแบบนี้ลูกจะบาปหนักทำอะไรไม่เจริญหรือไม่คะก็มีส่วนเนี่ยการที่เราไปลบหลู่บุปการีผู้มีพ่กุนนี้ไม่ควรทั้นแม่จะมีเจตนาดีก็ตามก็เรียกว่าเจตนาดีแต่ประสงค์ร้ายคือไปทำร้ายจิตใจของแม่ของพ่อได้จากการพูดของเราเนี่ย แต่ไม่ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนพ่อแม่นอกจากท่านขอคำปรึกษาแล้วก็ให้คำปรึกษาได้แต่อย่าไปแก้การกระทาของพ่อแม่ว่าทำางนี้ไม่ถูกไม่ดีอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราคำถามจากคุณเปิมพงนะครับพระโสดาบันตัดการมาอารมได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้เลยยังไม่เห็นนสุภาพเลย ต้องขึ้นไปสู่สกิดาคามีถึงยะตัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นให้เบาบางลงไปแล้วพระน า, าคามีก็จะตัดได้ร0อยเปอร์เซ็นตคำถามหมดครับพระอาจารย์ก็ดีมีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะแต่าถามเรื่องปฏิบัติ ด, ดีกว่าแล้วก็มีคนเดินเอาส่งคำถามมา ขออนุญาตเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือถ้าเราทำงานอยู่แล้วก็เราคิดว่าเราใช้ศักยภาพของตังให้เต็มที่แล้วสิ่งที่ได้มามันก็คือทรัพย์สินซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะจะถือว่าเรายังมีกิเลสหรือเปล่าค่ะเพราะว่าการที่เราคิดว่าถ้าเราได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเราก็จะมีโอกาส ช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะ่ะมันก็มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันเพราะว่าการทำมาหากินนี้เป้าหมายอยู่ที่การเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นขอให้เราเลี้ยงชีวิตประครับประคองชีวิตของเราได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายของเรานี่ไปปฏิบัติธรรมกันไปกาจัดกิเลสตัณหากัน แต่ถ้าเราทำงานเพื่อหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะไปทำบุญทําทานนี่มันก็เป็นกิเลสเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้แต่ถ้าเราทำเพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็ไม่ต้องทำมากเราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้การที่จะช่วยเหลือค น, นอนื่นนี้ยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ ตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ช่วยตัวเราเองก่อนช่วยทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนแล้วหลังจากที่เราสําเร็จแล้วเราค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นโดยให้เราดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงออกบําเพ็ญนี้ท่านไม่ได้ช่วยเหลือใครเลย6ปีนี้ท่านช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอหลังจากนั้นอีก45ปีเท่าก็ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไป อีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเราออกจากงานแล้วก็เพื่อที่ว่าจะมีเวลามานั่งสมาธิบ้างเนี่ยค่ะโดย การเล่นหุ้นแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็ตั้งใจว่าถ้าเรามออีอย่างที่คำถามแรงเนี่ยค่ะก็คือมีทรัพย์สินเราก็สามารถไปบริจาคช่วยเหลือคนที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคนที่ได้โอกาสเนี่ยค่ะมันก็ยังถือว่าเราก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะ คือมันทำงานที่ไม่ไม่ควรจะทำอ่ะควรจะไปรักษาศีลภาวนาจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะไปได้จะามาทำงานแบบช่วยเหลือคนอื่นกันถ้ามองในระดับอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวการมาช่วยเหลือคนอื่นมันก็เป็นธรรมเป็นเป็นสิ่งที่ดีมาลบล้างกิเลสที่หยาบคือความเห็นแก่ตัว แต่ถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วแต่เรายังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองให้เราหลุดพ้นเรายังมัวงไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาช่วยเหลือตัวเราเองอันนี้มันก็จะเป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งกิเลสที่จะหลอกให้เราไม่ช่วยตัวเราให้ไปช่วยคนอื่นอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะช่วยตัวเราเองได้เราจะติดอยู่กับการช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อยู่ไปเรื่อยๆนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองก่อน หลุดพ้นให้ได้ก่อนทําตัวเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้ได้ก่อนแล้วเราเข้าไปช่วยเหลือจะช่วยเหลือคนนี่ช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากกองทุกข์ดีกว่าช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากอ to to ความเดือดร้อนทางร่างกายความเดือดร้อนทางร่างกายมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวตายไปมันก็จบอยู่ดีแต่มันก็ยังต้องเดือดร้อนทางจิตใจต่อไปแต่ถ้าเรามาช่วยให้คนหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทางจิตใจแล้วเขาก็จะไม่เดือดร้อนไปอย่าง าว อ, อย่างที่เทศวันนี้ให้ไปทางพัฒนายะแบบยั่งยืนกันดีกว่า <c oughs> ข้างหลังยังมีนะมีท่านผ <c oughs> ู้หญิงอีกคนหนึ่งมีผู้ถามมาะครับพระอาจารย์ว่าคุณเทพิดาถามว่าเป็นความดาดันต่ำหมอให้จิบเบียดิฉันจะบาบไหมเจ้าค ะ, ะถ้าจิบเบียร์มันก็ผิดศีล จะเชื่อหมอเชื่อพระพุทธเจ้านะเมื่อ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีเบีย้ยแล้วมันจะทำรักษาไม่ได้นี่ไง <Okay. S 1> มันจะห า, าข้ออ้างูรเปล่าฮ <Okay. S 1> ะถามได้พูดใกล้ๆไหไมโครโฟนค่ะจะถามว่าถ้าแม่กีดการความรักของลูกสั่งให้ลูกเลิกคบกับผู้หญิงที่ลูกรักถือว่าแม่ทำบาปไหมคะ ไม่หรอกก็แม่เพียงแต่บอกเท่านั้นเองแม่ไม่ได้ไปทุบตีเราไม่ได้ไปทําร้ายร่างกายเราก็ไม่บาปแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ถ้าชาติที่แล้วข้าพเจ้าเคยกีดกันความรักของผู้อื่นจนทําให้เขาเลิกกันจนเป็นบาปกรรมจนถึงชาตินี้ควรแก้กรรมอย่างไรดีคะก็อย่าไปยุ่งกับคนอื่นต่อไป <laughs> อย่าไปกีดกันใครปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา <laughs> <laughs> ทําสิง่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเรา กระจายยังค่ครับพึ่งค่ะมีข้างหลังอหลวงพ่อครับเ อ, อคือบางเงินผมมีเพื่อนต่างศาสนานะครับเขาก็ถามว่าทางพุทธเราปฏิบัติยังไงผมก็บอกว่าปฏิบัติทานศีลภาวนาผมก็บอกว่าเ อ, อทําทานเนี่ย <Okay. S 3> ได้บุญนะแต่มีศีลเนี่ยได้บุญสูงกว่า อ, อแล้วภาวนาได้บุญสูงที่สุดละ เ, เขาก็บอกเป็นไปได้ยังไงว่าเขาทําทานเนี่ยเขาสละ ซัพย์ไปเป็นเรื่องที่ดีกว่าการภาวนาคุณอยู่กับตัวเองเอทําไมถึงได้บุญมากกว่าผมตอบเขาไม่ถูกนะคราบคำว่าบุญก็คือความสุขใจครับ ม, มันมีหลายระดับไงปรวลาเราทําทานนี่เราได้ความสุขใจระดับหนึ่งแต่แเรารักษาศีลนี่เราจะได้ความสุขใจที่สูงกว่าที่ลึกกว่าที่ดีกว่าแล้วถ้าเราภาวนาทําใจให้สงบได้ก็ยังยี่ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการทําทานจากการรักษาศีล ให้ดูที่ใจ่บุญก็คือความสมุนไทนี่ผมจะไปอธิบายก็ ต, ต่ออแต่แต่บางคนถ้าเขา ute, สมาธิไม่ถึงหรือปฏิบัติไม่ถึงเขาก็มองว่าบุญใหญ่กว่าสมาธิจริงจริงเขเก็เขาไม่ดูไงบางคนไม่เคยเห็นแบงค์พันเห็นแต่แบงค์ร้อย <c oughs> ก็คิดว่าแบงค์ร้อยนี่นดีกว่า <c oughs> แต่คนที่เขาเห็นแบงค์พันแล้วว่าแบงค์ร้อยไม่มีความหมายอะไรเอาแบงค์พันดีกว่าอ ข้อกาศพระจารย์คือบางครั้งเนี่ยนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกบางครั้งมันจะเห็นลมหายใจตลอดซึ่งมันนานเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ข้ามขั้นนั้นจ้ะคะเราต้องมีการช่วยบ้างไหมคะถ้ามันไม่ขั้นมันไม่เข้าเพราะมันอาจจะเป็นเพราะมีความอยากกั้นอยู่บังอยากให้มันสงบ เวลดูลมอย่าไปอยากให้มันสงบให้ดูเฉยเฉยไม่เป็นต้องไม่ต้องไปสนใจผลที่จะเกิดขึ้นจากการดูลมถ้าไปคอยนึกว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีดูมาต้องนานแล้วทํำไมไม่สงบมันก็ปุ่งแต่งแล้วคือมันก็เห็นลมตลอดเวลาให้ดูเฉยเฉยให้ดูลมเฉยเไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่ารู้ที่ปลายจมูกให้มันรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกรู้ว่ามันสั้นรู้ว่ามันยาวรู้ว่ามันหยาบรู้ว่ามันละเอียด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 แมสุดท้ายยังว่าอพอดีว่าหนูมาจากต่างจังหนาค่ะแล้วก็หนูไม่กล้าบอกให้พ่อแม่เขารู้ว่าถ้าเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่รับกลัวว่าเขาจะตัดลูกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องบอกเขาก็แล้วกันแล้วไม่ต้องโกหกเขาถ้าเขารู้ก็ให้เขารู้ไปวันนี้หนูอยู่กับคําโกหกของแบบโกหกตัวเองว่าหนูยังไม่ต้องไปโกหกอ่ะคลัว ไม่ต้องกลัวละเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีเดี๋ยวตางก็ตายจากกันอยู่ดีกลัวโดนตัดพ่อตัดลูกอะไรงี้เพราะว่าใคตัดไปเราอย่าไปตัดเขาก็แล้วกันถ้าเราไม่ตัดเขาเขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เราอยู่ถ้าเขาจะตัดเราก็ช่วยไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้แล้วถ้าเราอยู่แบบโดยร์ที่การเราไม่ไม่ได้บอกเขาเราอยู่แบบเนี้ยได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรชีวิตของเราเราไม่เลยไปทำร้ายเขา